ก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ <c oughs> ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถาวายความกรบมายังหลวงพ่อกลมอาจารย์วัฒนชัยพันเตเพื่อนสัธรรมิกเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะนั่งกันตามปกติก็หลังจากที่เรา ไหว้พระศดมนนะเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะของที่นีนะ่ก็เป็นการพูดคุยนะแล้วนะก็ให้ข้อคิดนะสำหรับการที่เราจะเอาไปใช้ในการศึกษาปฏิบัตินะลงไปที่ชีวิตของเรานะวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่28 พฤศจิกายน2557ก็เป็นวันแรกของคณะอาจารย์แล้วก็นักศึกษาเรียกว่านิสิตดีกว่าเกษตรนี่ก็จะเรียกนิสิตของคณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์มาวิทยาลเกษตรศาสตร์เท่าที่ทราบก็เป็นนักศึกษาปีสุดท้าย แล้วก็เป็นโครงการที่ทางภาควิชานะอยากจะให้นักศึกษาหรือนิสิตเนี่ยได้มีโอกาสเนาะมาฝึกฝนนะเรียนรู้ตัวเอ ง, นะ ซ, งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งจำเป็นนะแล้วก็ เราก็มีความสุขอยู่นะทำไมเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็อาจจะมีหลายคนนะอาจจะมองในลักษณะของการที่การมาเรียนรู้พวกนี้มันมันไม่จําเป็นนะหรือว่าอาจจะมีประโยชน์น้อยหรืออาจจะเห็นภาพนะของนะวัดว า, ารามพระสงฆ์ก็ดีนะเป็นเรื่องของคน สมัยเก่านะเป็นเรื่องของคนโบราณนะเป็นเรื่องรัสมยนะอันนี้ก็เป็นเป็นแง่คิดมุมมองหรืออย่างอย่างภาพในสังคมนะเราเห็นว่าพระก็มีที่ปฏิบัติตัวดีก็มีที่ปฏิบัติตัวไม่ดีก็เยอะนะมันก็ทำให้บางคนก็อาจจะเสื่อมศรัทธาแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์นะที่แท้จริง นะบางคนอนาะจะสงสัยว่าผู้พิจ้ามีจริงไหมศนะาสดาทั้งหลายมีจริงไหมศาสนามันจาเป็นหรือเปล่านะยิ่งในยุคปัจจุบันหลายคนก็อาจจะมีการบอกว่าตัวเองไม่มีศาสนานะก็มีเหมือนกันเยอะนะก็เรียกว่ามีความเชื่อเป็นการส่วนตัวนะแต่ที่เราจะคุยกันวันนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนานะเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับตัวเราเอง นะไม่ได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาคริสต์ศาสนามุสลิมนะหรือว่าไม่มีศาสนานะเอาว่าเรามาคุยกันเรื่องตัวเราเองนะชีวิตของเราก็เท่าที่เคยมีชีวิตของนักศึกษาเนาะเราอยู่ปี4เนี่ยเราก็ต้องหวังเวลาว่าจบไปเราจะไปทำอะไรนะโดยเฉพาะนักกฎหมาย พระสงค์ที่นั่งอยู่ที่นี่ก็มีนักกฎหมายหลายคนนะที่นั่งอยู่ที่นี่นะมีทั้งทนายความมีทั้งตำรวจนะซึ่งท่านก็ได้ใช้ชีวิตนะทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับตัวเองนะในเอาความรูนะ้ทางด้านกฎหมายนะไปทำประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับสังคมพอสมควรนะแล้วก็ในบรนท้ายช่วงปลายของชีวิต นะท่านก็อยากจะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดของชีวิตของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะประโยชน์ของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่ เ, เรามีอาชีพมีเงินมีทองมีครอบครัวที่อบอุน่นะมีความสุขนะเท่านั้นนะความภูมิใจอีกอันนึงคือเราได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมนะแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทํา นะเงินทองนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะอาชีพก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันมีสิ่งที่เป็นความสุขที่ที่เหนือกว่าสิ่งเหล่านี้นะอย่างที่เราได้สวดไปตะ ก, กี้นี่มีสุขสามอย่างล้นเนี่ยกรมสุขสามอย่างมันคือสุขอะไรบ้างนะอันแรกก็คือสุขที่เราได้จากการกินนะจากการลิ้มรสนะจากการได้ฟังเพลงเพรานะๆ ได้สัมผัสอของที่ถูก อ, อกถูกใจนะนั่นก็เป็นความสุขในระดับพื้นฐานนะภาษาบาลีเขาเรียกกามาสุขนะซึ่งคนในโลกปัจจุบันนี้ก็จะวุ่นวายหรือว่าเหนื่อยกับการหาความสุขประเภทนี้และความสุขชนิดนี้เนะี่ยมันมันชั่วประเดียวประดาวนะก็คือมันไม่นานเดี๋ยวมันมีเกิดขึ้นนะเราเสพสุขไปแล้ว นะเราก็มันก็หายไปแล้วก็มันก็จะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆแล้วปัจจุบันนี้ในวงการธุรกิจก็ดีวงการตลาดก็ดีเนี่ยเขาเอาสิ่งเนี้ยมาเสนอขายนะเราก็ต้องไปหาซื้อไปวิ่งซื้อกันจะเป็นบทเพลงก็ดีเป็นภาพยนตร์ก็ดีเป็นข่าวสารอะไรต่างๆก็ดีนะเพื่อสนองความสุขตรงนี้เขาเรียกว่ากามาสุขนะเป็นสุขที่ได้จาก าการได้เห็นได้ยินนะได้ฟังนะได้ลิ้มรสได้สัมผัสนะได้ดมหรือแม้แต่การไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นการมาสุขคำว่ากามนี่ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นนะอันนั้นมันมันมันเป็นลักษณะหนึ่งแต่มันละเอียดลงไปนะนี่เป็นการมาสุขทีนี้สุขชนิดนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานหมายถึงว่าเป็นชั้นระดับล่างสุด นะแล้วส่วนใหญ่เราก็คิดว่าไอเนี่ยสุดยอดแล้วนะจริงๆมันมีมากกว่านั้นอย่างการที่เรา <c oughs> มาไหวพ้พระสวดมนต์ละลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะเรามีความสุขนะจากการที่ได้สวดมนต์สาธยายมนต์ก็ดีหรือคนที่ไม่มีศาสนาแต่ได้ทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเรามีความภูมิใจนะ่ก็เป็นความสุขเป็นความสุขที่ ที่เหนือขึ้นไปที่ละเอียดขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นความสุขในกระดับหนึ่งทีนี้ความสุขระดับสูงสุด ข, ข, ของในทางาที่เราเกิดมาเนี่ยนะก็คือสุขจากการที่รู้จักการปล่อยวางการปล่อยวางในที่นี้หมายถึงการปล่อยวางสิ่งที่มันทำให้เราเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์หนัก อ, อกหนักใจนะหรือเกิดความเครียดนะความทุกข์ งาที่เกิดขึ้นในใจนาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยนาการฝึกฝนนาการเรียนรู้กายใจของเรานาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็เป็นความสุขที่มนุษย์เราเนี่ยพึงจะได้รับการเกิดมาครั้งหนึ่งถ้าเรามัวแต่ไปเสพสุขนในระดับล่างๆพื้นฐานเนี่ยเราก็จะโหยหาเราก็จะเหน็ดเหนื่อยเงินทองที่หามาได้มันก็ไม่ไม่พอใช้ แต่ถ้าเรามาสัมผัสสุขนะที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมตนเองมีการปล่อยการวางนะการปล่อยวางในที่นี้คือปล่อยวางสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรานั้นไม่เป็นปกตินะจิตใจของเราเป็นทุกข์เป็นร้อนนะซึ่งสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์มากๆกเนียนะก็คือความคิดปรุงแต่งนั่นเองนะให้สังเกตดูวันหนึ่งวันหนึ่งเนีย วันไหนที่เราคิดมากๆนาหนักอ ก, กหนักใจเราก็จะอ่อนเปียกเพียแรงบ า, างที่บางทีเราก็ไม่ได้ไปวิ่งเต้นที่ไหนเราไม่ได้ไปออกกําลังกายเลยแต่มันเสียกําลังใจไปเยอะนโดยเฉพาะการศึกษาเล่าเรียนนโดยเฉพาะปีสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างจะตึงเครียดเหมือนกันอนาคตจะไปอย่างไงจบแล้วจะไปทําอะไรดีจะไปเป็นทนายหรือจะไปสอบเนย นะสอบเนจะเป็นผู้พิพากษาหรือใครจะไปเป็นตำรวจนะตอนนี้ก็ประกาศรับสมัครหลายตำแหน่งนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องกะหรเตรียมการนะอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงบางทีเราก็วิตกกังวล น, นะจนบางทีก็เครียดไปบางคนก็อาจจะมีความเครียดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> ถ้าเราไม่รู้จักนะการที่จะฝึกฝนนะให้ กายใจของเรามันเป็นปกตินะตรงนี้มันก็จะทำให้เรามีความทุกข์นะมีความเครียดนะแล้วเราก็จะไม่เป็นสุขฉะนั้นตรงนี้นี่แหละนะเมื่อมันไม่เป็นสุขมันเป็นทุกข์นะเราก็ไปหาทางออกต่างๆนะอย่างมงคนเครียดมากๆนะก็หาทางออกโดยการไปหาเพื่อนคุยนะไปเที่ยวนะไปดูหนังฟังเพลงไปหาของอร่อยๆกิน นะซึ่งอันนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนหรือเป็นการกลบเกลื่อนนะกลบเกลื่อนความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจนะมันก็ช่วยได้เป็นบางครั้งบางคราวหรือบางคนอาจจะหนักลงไปถึงขนาดดื่มแอลกอฮอล์นะพวกเหล้าให้มันลืมๆไปความเครียดความทุกข์ความเบื่ออะไรพวกนี้นะพอตื่นขึ้นมาหายเมามันก็คุ้นคิดอีกมันก็ทุกข์อีก ก็ต้องกลับไปกินเหล้าอีกนะก็เกิดพิษสุราเรื้อรังขึ้นมานะหรือบางคนหนักไปถึงขนานดะติดยาเสพติด ก, ก็มีนะ น, นี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้เรียนรู้นะเรื่องของภายในจิตใจของเรานั่นเองนะอันนี้ก็คือการกบเกลื่อนทีนี้มีอีกลักษณะหนึ่งนะอีกลักษณะหนึ่งก็คือไม่กบเกลื่อนนะไม่แสดงออกเก็บกดนะมันก็มีเหมือนกันนะ เก็บกดเอาไว้เก็บกดเอาไว้จนวันหนึ่งมันระเบิดออกมานะซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จักการปรับจิตปรับใจนะเพราะว่าไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เพราะนั้นการมาที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเรามาเพียงแค่วันเดียวเนี่ยนะก็ค่อนข้างระยะเวลาสั้นไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะมาวันเดียวก็ยังดีกว่าไม่มานะเนาะเรียวกว่ามาจริงๆได้ฝึกจริงๆอ่ะพรุ่งนี้วันเดียว นาที่เหลือก็เป็นเรื่องของการปรับตัวปรับใจทีนี้มาที่นี่เนี่ยนาก็ต้องขอนนโมทนากับอาจารย์นที่มองการไกลอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาของเรามีเครื่องมือนาในการที่จะไปดำเนินชีวิตในการที่จะไปประกอบอาชีพเพียงแค่ความรู้อย่างเดียวไม่พอมันจะต้องมีสติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะนา ที่จะไว้ใชนะ้เป็นเครื่องมือประกอบเราจะเห็นในสังคมปัจจุบันนี้คนมีความรู้มากนะแต่ว่าไม่ไม่มีสติสัมปชัญญะนะหรือพูดง่ายๆว่าไม่มีคุณธรรมควบคุมเนี่ยอันตรายนะอย่างตอนนี้เราก็ทราบข่าวแล้วเนาะก็ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้จบสรุปนะในวงการตำรวจนะเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญนะ่ซึ่งก็เป็นคนที่มีความรู้ดีมากนะ แต่ก็โดนคดีนาการทุจริตนะซึ่งตอนนี้ก็กำลังสอบสวนกันอยู่นะยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธินะแต่ก็เนี่ยแหละนะคนที่มีความรู้นะแต่ว่าไม่เรียกว่าพัดหลงเนาะไปในความอยากได้อยากมีนะเกินกว่าที่พึงได้โดยสุจริตนะตรงนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา และถ้าเราติดตามข่าวเราจะทราบดีในวงการผู้พิพากษาเนี่ยถูกไล่ออกก็เยอะนะเพราะว่าไปช่วยจำเลยนะหรือว่าคนที่ผิดนะให้ถูกขึ้นมานะซึ่งในวงการศาลเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเปิดเผยนะเพราะตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าความรู้มีนะแต่ว่าไม่มีเครื่องกำกับนะก็คือคุณธรรมจริยธรรมซึ่งคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยโดยพื้นฐานคนเรามันมีอยู่แล้ว แต่ว่ามันเกิดจากความที่เราหลงไปในความโลภนะความโลภความโกรธเนี่ยนำก็เลยทำให้สติสัมปชัญญะเราผิดปกติไปนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะการที่เราการที่อาจารย์พามาเนี่ยก็ถือว่าจะติดนะเรียกว่าติดอาวุธนะทางปัญญาให้กับนักศึกษา เราเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมในการที่จะไปะเผชิญกับโลกนะเพราะว่าถ้ามีความรู้ด้วยนะมีคุณธรรมด้วยมีสติสัมปชัญญะพร้อมกันไปเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้านะรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ทําอะไรไปโดยที่ไปหวังว่าจะไม่มีใครรู้ใครเห็นนะการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องใหญ่มากสาหรับประเทศไทยในเวลานี้นะเพราะว่า เราคิดว่าเรามีความรู้เราสามารถจะป้องกันตัวได้นะแต่สุดท้ายเนี่ยนะมันไม่พ้นนะนะเรียกว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยนะใครทํากรรมใดไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นจะเร็วจะช้านะเท่านั้นเองเพระาะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เราได้มาฝึกฝนมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เพื่อที่จะได้ประดับตัวเราเองนะคนสมัยก่อนเนี่ยนะเท่าที่อตมาได้ศึกษาเนี่ย ครูบาอาจารย์สมัยเก่าๆโบราณเนี่ยนะเขาจะไม่สอนวิชาชีพอะไรให้เลยจนกว่าเขามองว่าลูกศิษย์คนนี้เป็นคนดีมีคุณธรรมเขาจึงจะมอบวิชาชีพให้เพราะว่าถ้าไม่มีคุณธรรมเครื่องกำกับนะเอาวิชาชีพไปใช้อันตรายความรู้ที่ได้จากการศึกษาเนี่ยถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมกำกับเนี่ย อาจจะไปใช้ในทางที่ถูกก็ได้ผิดก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจิตใจมั่นคงหนักแน่นแล้วก็รักในความจริงรักในความเป็นธรรมแล้วก็เป็นคนดีจริงๆนะเขาจึงจะสอนแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลับกันเราให้ความรู้ไปแต่ว่าเราก็เชื่อว่านะลูกศิษย์ของเรานั้นจะนําความรู้ไปทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดี ให้เกิดประโยชน์กับตนเองกับสังคมอันนี้เป็นความเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อใจนะแต่ก็เห็นแล้วนะว่าปัญหาสังคมยุคปัจจุบันเนี้ยไม่ได้เกิดจากคนที่ไม่มีความรู้ส่วนใหญ่เกิดจากคนมีความรู้ทั้งสิน้นแต่เป็นความรู้ที่เป็นคนมีความรู้ที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองเพราะนั้นนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมาก เนาะฉะนั้นการมาที่นี่เนี่ยอาตมาดูแล้วนะเป็นเรื่องที่น้าอนุโมทนากับคณะอาจารย์เนาะแล้วก็ส่วนนักศึกษาเนี่ยก็เข้าใจว่าก็มาตามที่อาจารย์ว่านะหรือบางคนก็ตั้งใจมาอยากจะมาเรียนรู้นะ่ก็คงจะมนะีแต่บางคนก็อาจจะถูกบังคับมาบ้างเนะาะจะอย่างไรก็ตามละนะเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราเสียงเงิน เสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาในการเดินทางเราจะต้องใช้เวลาใช้งบประมาณที่เสียไปเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดมาที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยนะมาทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือการมาเจริญสตินะเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองยิ่งเรามีเวลาน้อยเนี่ยทำเรื่องนี้เรื่องเดียวการเจริญสติไม่ใช่เรื่องยากเนาะบางคนอาจจะโอ้ มาฝึกอย่างนี้มันท่าจะยากนะเราเป็นคนกิเลสมากนะเราคงทำไม่ได้นะหรือบางคนก็กลัวว่ามาทำแล้วเดี๋ยวกลับไปมันจะไม่สนุกเหมือนเดิมเลยกลายเป็นคนจิตจืดชืดเฉยเฉยอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยเนาะจริงๆถ้าเราได้เรียนรู้จริงๆเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกปรับตัวปรับใจนะแล้วก็หาความสุขได้ง่ายๆไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขอย่างที่ เคยๆทากันมานะเป็นความสุขที่ที่ประณีตที่ละเอียดและไม่ต้องไปเสียงเงินเสียทองด้วยนะทรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนพวกเรามาที่นี่แล้วเปิดใจเลยเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้เจ้าใจยฐะเนี่ยเรียนมา18สาขาพูดง่ายเป็นด็อกเตอร์ส8สาขาก็ยังไม่พอใจในความรู้อันนี้นะ ท่านมาเรียนรู้ด้วยตัวเองสุดท้ายเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของจิตใจของตัวเองแก้ปัญหาในตัวเองเป็นด็อกเตอร์ที่19ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ท่านตัสู้นะซึ่งตรงเนี้ยก็ยังนำมาถ่ายทอดจนถึงปัจจุบันนี้และที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งนะที่นำมาถ่ายทอดแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้เราเนี่ยได้ใช้เวลานะกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่ อย่างเราเจนเนี่ยนะคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาจะนั่งยกมือเดินจงกรมสร้างจังหวะนะซึ่งอันนี้หลายคนแปลกตาเพราะว่าการฝึกจิตการทําภาวนาส่วนใหญ่นะเราจะนั่งหนับตานิ่งๆใช่ไหมมีคําบริกรรมบ้างหรือไม่มีคําบริกรรมก็แล้วแต่นะแล้วเราก็มองมองลักษณะของกรรมฐานว่าเป็นเรื่องของทนงคนแก่ ไม่ใช่เป็นเรื่องคนหนุ่มคนสาวยังไม่จําเป็นนะจริงๆบอกได้เลยว่าถ้าตราบใดเรายังเครียดเรายังทุกข์ยังหนักอกหนักใจยังคิดฟุ้งซ่านนะยังไม่ค่อยมีความสุขยังไม่อิ่มนะใจมันยังไม่อิ่มเนี่ยสิ่งนี้แหละมันจะช่วยได้มันจะช่วยแก้ปมปัญหาต่างๆใ น, ในใจได้และเป็นสิ่งที่เราสามารถทาได้ทุกคนไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่ มีบุญบารมีมากเป็นคนวิเศษเป็นเฉพาะบุคคลคนทุกคนนะที่มีสติมีปัญญาอย่างเราเนี่ยเรียนมาถึงระดับหมหาวิทยาลัยถือว่ามีสติปัญญาและเราก็ผ่านการฝึกฝนมาพอสมควรกว่าเราจะสอบเอ็นทานได้เราต้องดูหนังสืออย่างหนักต้องอดทนใช่มแล้วก็ต้องใช้ความเพียรใช้ความอดทน ใช้สติใช้ปัญญาของเรามาพอสมควรเพราะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานแลวนะวแต่เป็นพื้นฐานที่เราจะมาต่อยอดเพราะนั้นมาที่นี่เราเติมเข้าไปอีกเรื่องเดียวคือเรื่องสติเรื่องความรู้สึกตัวเท่านั้นเองนะเรียกว่ามาต่อยอดเลยไม่ต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ความอดทนเราก็มีความเพียรเราก็มีนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นความจาเป็นเราก็เลยเฉยๆซะนะเราก็ยัง เล่นเล่นทำเรื่อยๆนะมีเวลาแค่วันเดียวก็คุยกันบ้างอะไรกันบ้างนะอาจารย์พูดกฟังบ้างไม่ฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็อาจจะนั่งหลับอะไรอย่างเงี้ยนะอันเดียวก็เป็นเรื่องที่จะทำให้เราเสียโอกาสถือว่าเป็นครั้งหนึ่งของชีวิตเลยนะการมาที่นี่เนี่ยเป็นครั้งหนึ่งที่จะได้เรียนรู้นิสัยสันดานตัวเราเองเราจะเห็นเลยว่านิสัยสันดานเราเป็นยังไง เป็นคนขี้โลกเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนขี้โกรธนะเป็นคนที่เรียกว่าชอบสบายอ่ะมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเจอยุงว่าไม่ไหวลนะไอน้ น, ไอ น, ไอนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นน้ําก็ไม่มีให้อาบเปิดน้ํามามีแต่ลมฟูออกมาทำ ไ, ไมยังไม่ได้อาบน้ำํำนะเดี๋ยวยุงกัดบ้างอะไรบ้างนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะได้เห็นนิสยัยใจคอของเรา เรียกว่าสันดานจริงๆของเรามันเป็นยังไงแล้วเราก็จะได้แก้ไขนะอันไหนที่ไม่ดีเราก็แก้ไขมันดีอันไหนที่มันดีอยู่แล้วก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปนะทีนี้พิธีการฝึกเนี่ยนะที่นี่เนี่ยเราจะไม่นั่งหลับตาเราจะลืมตานะเราจะใสยการเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวเพื่ออะไรเคลื่อนไหวกายนะเพื่อให้ใจเนี่ยมันกลับมาอยู่กับกาย ส่วนใหญ่ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากใจเนี่ยมันหลงไปกับความคิดความคิดปรุงแต่งนะหรืออาจจะเป็นความจำเก่าๆความสุขเก่าๆนึกขึ้นมาทีไรก็มีความสุขนะหรืออาจจะนึกถึงสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเรานะเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายไม่คยสบายใจนะตรงนี้ก็คือวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยใจเราหลงไปกับความคิดเนี่ยมากมายจนบางวันเนี่ยเรา อ่อนเราหวยเลยแรงเราไม่ได้ไปวิ่งไปเต้นอะไรที่ไหนเลยนะแต่กลับมาเนี่ยหมดแรงเลยมดหมดแรงใจนะมันไม่หมดแรงกายแล้วใจเนี่ยพอมันหมดแรงเนี่ยมันกายมันก็อ่อนเปี้ยเพลียแรงไปเลยนะอันนี้เพราะว่าเราหลงไปกับความคิดปรุงแต่งหลงไปกับอารมณ์ต่างๆทำยังไงที่จะให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็าศัยการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวของกายเนี่ย เพราะกายกับใจมันติดกันนะการเคลื่อนไหวของกายมันจะทําให้ใจเนี่ยมันไม่พัดหลงไปกับความคิดถ้ามันจะพัดหลงไปอย่างน้นอนก็กลับมาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ฝึกตรงนี้อย่างเต็มที่แล้วเราจะได้เห็นเลยอะไรที่มันสั่งสมอยู่ในใจเรามันจะผุดออกมาเลยคนไหนที่ขี้ง่วงมันก็จะง่วงออกมาง่วงขนาดหนักเลยคนไหนช่างคิดก็คิดฟุ้งซ่านออกมาเลยตรงนั้นน่ะ เราจะได้เห็นความจริงนะที่มันอยู่ในใจเราและมันก็จะเป็นการชำระล้างสิ่งที่มันมหมกมุ่นในใจนะเรียกว่าถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เรีกดี e ี e ใช่ e หมดสิ่งที่มันมีอยู่ในใจเราออกไปในหัวเราเนี่ยออกไปนะตรงนี้จะทำให้ใจมันโล่งมันว่างนะแต่ใหม่ๆเนี่ยวันหนึ่งมันก็คงจะยังไม่ถึงระับโล่งขนาดนั้นนะนะแต่ก็ได้เห็นนะความทุกข์ที่มันอยู่ในใจ สิ่งที่มันหมกหมมในใจนาะด้วยการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวนี้เป็นวิธีการที่หลวงพ่อเทียนนะท่านได้นําเสนอไว้เมื่อห้ปีที่แล้วแล้วมันก็ไปตรงกับสิ่งที่พุทธเจ้าได้สอนนะ่ในหมวดเขาเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรนะ่ในพระไตรปิฎกแนะก็คือให้มีความรู้สึกตัวนะในขณะที่นั่งอยู่นะ่นั่งเราก็รู้ว่านั่ง ยืนเราก็รู้ว่ายืนเดินเราก็รู้ว่าเดินหรือนอนเราก็รู้ว่านอนขณะที่นั่งฟังตรงนี้เวลานี้ขณะ น, นี้ถ้าเรารู้ตัวว่าเรานั่งอยู่นั่นแหละเรามีความรู้สึกตัวใจกับกายมันอยู่ด้วยกันนะอันนี้ก็คือมีสตินาะรู้กับอิริยาบทนีนะ้นอกจากนั้นเราก็รู้กับการเคลื่อนไหวคูเหยียดเคลื่อนไหวกระพริบตา หายใจคืนน้ำลายลงไปในคอรู้สึกหรือขณะดนี้เนี่ยพัดลมมันพัดเป่ามาโดนผิวหนังเราเราก็รู้สึกใจเราอยู่ที่นี่เราฟังเสียงที่กำลังพูดอยู่ใจเราไม่ได้กลับไปบ้านใจเราไม่ได้ไปกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่แหละคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวถ้ามีขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆนะมันก็จะรู้สึกปกติ ใจเราจะเป็นปกติใจเราจะเบาๆสบายๆซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติของเราธรรมชาติเดิมแท้ของใจชีวิตเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยสิ่งนี้คนเราไม่บ้าเพราะสิ่งนี้แต่ความรู้สึกตรงนี้มันมันมั น, ม, นมันธรรมดาเกินไปเราก็เลยไม่ก็เห็นค่ามันเหมือนเรากาหายน้ำเนี่ยเราจะไปวิ่งหาน้ำเปรี้ยวบ้างน้ำหวานบ้างน้ำซ่าบ้างแต่สุดท้ายมันจะมาจบที่น้าจืด น้ำจืดเนี่ยมันทำให้เราแก้กระหายเหมือนใจที่มันเป็นปกติมันก็จะช่วยบรรเทาความทุกขนะ์ความร้อนในอกในใจนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เรามาฝึกตรงนี้ก็เพื่อที่จะได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะซึ่งความเป็นปกติของใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่กายกับใจมันอยู่ด้วยกันกายอยู่ไหนใจอยู่นั่น ไม่ใช่กายอยู่วัดป่าสุกโตแต่ใจยอยู่มาในเกษตรนะหรือว่ากายอยู่นี่ใจยอยู่บ้านนะนั่นก็เรียกว่าว้าวเวแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเรียกใจกลับมาทีนี้การเรียกใจกลับมาเราจะไปใช้ความคิดเรียกมาไม่ได้เราต้องอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นความรู้สึกตัวสดๆการเรียนรู้ธรรมะไม่ใช้ความคิดใช้ความรู้สึกตัว ซึ่งความรู้สึกตัวเป็นเครื่องมือที่เราใช้มาตั้งแต่เด็กๆ เ, เราไปสังเกตเด็กเด็กเล็กๆ เ, เนี่ยที่เขาไม่ได้ค่อใช้ความคิดอะไรมากเขาจะหยิบจับอะไรเขาใช้ความรู้สึกร้อนอ่อนแข็งเย็ น, นแล้วสิ่งนี้เราก็ใช้กันอยู่แต่ว่าระบบการศึกษาทางตะวันตกเนี่ยให้เราคิดมากเพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะมันเลยยากเราเรียนธรรมะโดยใช้ความคิดเนี่ยมันจะยากเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ย มันคิดอะไรก็ทิ้งไปเลยไม่ห้ามนะความคิดคิดขึ้นมาแต่ไม่ตามกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวคิดขึ้นมาทีไรกลับมาอยู่ตรงนี้รู้ทันมันไม่ตามมันตรงนี้จะทำเรียกว่าเป็นการฝึกเขาเรียกว่าการปฏิบัติการทวนทวนกระแสความคิดกระแสความคิดเนี่ยท่านเปรียบเทียบเหมือนกับกระแสน้าที่มันไหลถ้าเรากระโดดลงไปเนี่ยนะมันก็จะไหลไปตามน้า นะปลาตายเนี่ยมันจะไหลไปตามน้ำแต่ถ้าปลาเป็นมันจะไหลทวนน้ำคนที่แข็งแรงต้องไห้ทวนน้ำขึ้นไปเหมือนใจของเราเหมือนกันถ้าเราปล่อยไปตามอารมณ์นะมันก็จะอ่อนแอรเรียกว่าทำอะไรตามใจอยแต่ถ้าเราทวนกระแสนเนี่ยจิตใจเราจะเข้มแข็งเรียกว่าออกกำลังใจให้ใจมันเข้มแข็งขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ใหม่ๆต้องอาศัยการทวนหน่อยการฝืนหน่อยนะอดทนหน่อย อย่างเราฟังตั้งแต่ทำวัดจนถึงตอนนี้เกือบหนึ่งชั่วโมงบางคนอาจจะรู้สึกอยากจะไปเข้าห้องน้ำเราก็อดทนไว้นิดหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปนี่ก็ฝึกความอดทนเรียว่าฝึกขันตินะแล้วก็อาศัยการทำอย่างต่อเนื่องมีความเพียรพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ทำกันอย่างเต็มที่ทั้งวันยกมือเดินจงกรมสร้างจังหวะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะ อาจารย์ทรงศิลก็คงจะพาะพวกเราทําปฏิบัติกันนะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยน ะ, ะเราจะใชยการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝนตัวเราเองคิดขึ้นมาทุกความคิดทิ้งให้หมดเลยกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวตรงนี้จะเป็นการหัดปล่อยหัดวางปล่อยวางความคิดถ้าเราปล่อยวางได้บ่อยๆรู้ทันบ่อยๆเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะเด่นขึ้นมา ถ้าความรู้สึกตัวเด่นเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยจะเข้าไปจัดระเบียบความคิดอันไหนที่เราไม่อยากคิดก็ทิ้งได้อันไหนที่จําเป็นต้องคิดใช้ในการทําการทํางานมันก็จะเอามาใช้เรียกว่าเอาความคิดมาเป็นมาเป็นอุปกรณ์หรือมาเป็นเครื่องมือแต่ถ้าเราไม่มีสติเราไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยความคิดมันจะใช้เรามันให้เราไปนูน่นให้เราไปนี่ให้เราทํานั่นทนํานี่เรียกว่ามันเป็นนายเรานะแต่ถ้าเรามีสติแล้วเนี่ย สติจะเป็นนายความคิดเคยั้ยบางวันเนี่ยมันนอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่จบนะเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องนู้นมันไม่ยอมจบหรือบางทีบางเรื่องเนี่ยอยากจำกับลืมใช่ไหมอย่างเราอ่านตัวบทกฎหมายเนี่ยมันไม่จำทักทีนะแต่ไออยากลืมกับจำเรื่องคนนู้นมาทำเราไม่ดีเรายังเก็บไว้อยู่ยังโกรธเขาอยู่แทนที่จะลืมมันจา ตรงเนี้ยเพราะว่าพูดง่ายๆเราไม่มีเครื่องมือเนาะในการจัดระเบียบความคิดเครื่องมือสําคัญก็คือความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะนั่นเองที่นี่เนี่ยจะฝึกเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวสิ่งที่เราจะมาเรียนเรียนเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องยาก8ปดหมี่พันพระธรรมการในพระไตรปิฎกเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้มันจะไม่เข้าใจเรื่องอื่นหมดเลยแล้วพระเจ้าจึงบอกว่าการเจริญสติ เป็นทางสายเอกงานะที่จะให้เราพ้นจากความทุกโศกงานะพ้นจากความหนักอกหนักใจเพราะนั้นเรามาทำเรื่องเดียวแต่ทำซ้ำๆทาซ้าๆจนเกิดนิสัยใหม่เป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัวแต่ก่อนเรามีนิสัยที่จะหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์นะทีนี้เราสร้างนิสัยใหม่มันจะได้ชีวิตใหม่เป็นชีวิตแห่งความรู้สึกตัว เมื่อมีชีวิตแห่งความรู้สึกตัวแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะได้สัมผัสกับความสุขที่ประณีตที่มีอยู่แล้วในใจเราคือความเป็นปกติของใจความเป็นปกติของใจนี่แหละเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงให้ใจเราชุ่มชื่นให้ใจเรามีชีวิตชีวานะแล้วก็วิ่งหาความสุขจากข้างนอกเนี่ยน้อยลงไม่ได้ว่าเราไม่หานะก็หาเหมือนกันแต่และ ว, ว่ามันจะมาบีบรัดเราไม่ได้นะเรามีความสุขอยู่ในใจเนี่ย เงินทองที่เราหามาได้เนี่ยมันก็จะเหลือเดี๋ยวนี้คนเงินไม่ค่อยพอใช้เพราะไปจ่ายความสุขที่ได้จากข้างนอกที่วัด ก, การมาสุขเยอะมากแต่ถ้าเรามีความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจากความปกติของใจแล้วเนี่ยมันจะไปวิ่งหายความสุขนั้นน้อยเงินก็เหลือใชนะ้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะได้รับประโยชน์นะจากการที่เรามาที่วัดป่าสุกโตเราก็ขอให้พวกเราเนี่ยนะ ลองดูเปิดใจรับไม่รับไม่ด่วนรับแลไม่ด่วนปฏิเสธเปิดใจกว้างๆลองดูนะครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาฝึกอย่างนี้อาตมาเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีพื้นฐานมาแล้วเคยฝึกเคยเรียนมาแล้วแล้วที่ได้มาวัดป่าสุขโ ต, โตนะี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญมันต้องมีบุญที่สร้างสมกันมานะจึงจะได้มาที่นี่นะเพราะฉะนั้น ให้เราใช้เวลาที่เราได้มาที่นี่เนี่ยกับเรื่องนี้ให้เต็มที่พยายามพูดคุยกันน้อยๆนะหรือว่าไม่พูดคุยกันเลยได้จะดีแต่มันห้ามไม่ได้หรอกวัยรุ่นนะนะวัยรุ่นต้องคุยกันนะนะแต่พยายามเรามีเวลาน้อยวันเดียวนะลองดูให้เวลากับตัวเองให้เวลากับชีวิตกับเรื่องนี้แล้วลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอันเนี้ย จะเป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับสูงสุดจากการมาที่นี่ให้มันคุ้มกับค่าใช้จ่ายงบประมาณเวลาความเหนื่อยยากที่เรามาที่นี่เนาะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือต้องอดทนนะที่นี่อาจจะไม่เหมือนที่บ้านเราอาจจะลําบากอาจจะหนาวอาจจะมีแมลงอะไรต่างๆบางคนกลัวผีมันมืดนะเดี๋ยวจะได้เห็นผีจริงๆก็คือความกลัวของเรานะั่นแหละนะ ไอเนี่ยแหะบางคนกลัวทุกแกกลัวอะไรเนี่ยจะได้เห็นนะไอเนี่ยมันจะโผไหมเราเห็นนี่คือความจริงที่มันแสดงออกมาเพราะนั้นการเรียนรู้ธรรมะคือเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากในใจของเรามันแสดงตัวออกมาโดยอาศัยความรู้สึกตัวเป็นตาในที่จะเห็นเราใช้ตาเนื้อเพื่อเรียนรู้โลกข้างนอกใช้ตาใจเพื่อเรียนรู้เรื่องข้างในใจเรามีของวิเศษอยู่ในตัวเราคือตาใจนะ เดี๋ยวนี้เราปิดอยู่เราจะมาเปิดเปิดตาใจให้มันเห็นเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเรานะแล้วก็เกิดการปล่อยการวางปล่อยวางนี้ไม่ได้เกิดจากความคิดเราต้องเห็นมันซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเราเบื่อเลยโอ้มันทำไมคิดมากนกะโอ้มันทำไมจุกจิกจิ ก, จกโห้อะไรเนี่ยมันเกิดการปล่อยวางเนาะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ที่มาที่นี่แล้ววิชานี้ ไม่มีในมหาวิทยาลัยไม่มีที่โรงเรียนไหนแล้ววัดทั่วทั่วไปก็ไม่เคยได้สอ น, นส่วนใหญ่เราไปเข้าวัดก็พิธีรีตองใช่ไหมทําบุญนู้นทําบุญนี้ซึ่งเราทามานานแล้วนะเรามาที่นี่ต่อบุญเป็นกุศลบุญก็คือสุขความสุขที่ได้มาโดยชอบกุศลก็คือความฉลาดฉลาดที่จะรู้เท่าทันความ คิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วให้หัดปล่อยหัดวางซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้โดยไม่เสียสตังค์เลยเป็นบุญสูงสุดที่ไม่ต้องเสียสตังค์นะแต่อย่างว่าเรามานี่ก็เสียงงบประมาณนะเนาะแต่ถ้าฝึกจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราติดตัวไปแล้วไปใช้ที่บ้านเป็นบุญสูงสุดที่ไม่ต้องเสียสตังค์และเป็นบุญที่จะเป็นประโยชน์กับการที่จะใช้ชีวิตต่อไป วันนี้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเราสามารถที่จะติดตัวไปได้มันจะใช้ไปจนถึงวันตายเลยอาตมา ย, ยังจำได้สมัยอาตมาเรียนอยู่ที่มาหาวิทยาลัยได้เรียนรู้เรื่องนี้จากรุ่นพี่นีคือพี่สุพวรรณกรีนนะปัจจุบันเนี่ยนะเขาสอนเรื่องนี้แล้วเราก็ติดตัวมาพอเราจบเราไปทำงานเราก็ทำงานตามวิชาชีพของเราแล้วก็มีเครื่องนี้หล่อเลี้ยงน่าให้เรามีความสุข กับการทํางานมันจะมีปัญหาบ้างมีความเครียดบ้างก็เป็นธรรมดาแล้วก็ปรับตัวเอได้พอสมควรแตนะ่บางทีก็ลม้มลุกคลุกคานบ้างหลงบ้างอะไรบ้างแต่มันก็กลับตัวได้เร็วสิ่งที่เป็นเรื่องไม่ดีเราก็ไม่เอาการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่เอานะมันก็ประครับประกองได้ไม่รวยแต่ก็ไม่จนพอกินพออยู่แล้วก็มีความสุขงานในระดับหนึ่งพอสมควร นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาศัยความพอเหมาะพอดีนั่นเองการที่เรามีสติสัมปชัญญะมีปัญญานะที่เกิดจากการฝึกฝนนี่แหละมันก็สามารถคลองตัวนะจนถึงในบ้านปลายของสุดท้ายนีย่ก็เลยคิดว่าสิ่งที่อยากจะทํามากที่สุดก็คือการที่เรามาศึกษาเรื่องพวกนี้อย่าง อ, างอางจริงจังเต็มที่นะทําให้กับตัวเองแล้วก็ถ้าจะเป็นประโยชน์บ้างก็ก็ดีแต่ก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะ เตียงแต่ว่าให้เราสัมผัสกับความสุขที่ประณีตลึกซึ้งเพราะว่าคนเราเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ได้สัมผัสกับความปกติของใจแล้วเนี่ยเสียชาติเกิดจริงๆนะเสียโอกาสจริงๆเนะาะเพราะฉะนั้นถือเป็นโอกาสพิเศษเป็นการให้ของขวัญกับตัวเองเดือนหน้าก็จะสิ้นปีแล้วเนาะของขวัญให้กับชีวิตคือ ความรู้สึกตัวความเป็นปกติของใจเราให้ของขวัญกับคนอื่นเยอะแยะละวันนี้เราไมาให้ของขวัญกับตัวเราเองก็คือมาฝึกเรื่องนี้แล้วให้ความสุขกับตัวเองที่มีอยู่แล้วในตัวเราเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ของขวัญกับตัวเองเนาะก็เป็นการพูดเพื่ออยากให้พวกเราได้เปิดใจนะแล้วก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นามากที่สุดในการที่มาที่นี่ คนมาจํานวนมากๆนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะก็ยังคุยๆกับเพื่อนว่างานนี้จับปูใส่กระด้งนะ <c oughs> นักศึกษามาเนี่ยนะแต่ก็คิดว่าพวกเรามีพื้นฐานกันมาบ้างแล้วนะก็พยายามเนาะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่นะก็สรุปในสุดท้ายนี้นะก็ขอให้พวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจนะในการที่จะมาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของเรา นาะโดยการใช้เครื่องมือนาะก็คือความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วนาะพัฒนาให้มันเกิดประโยชน์นาะในการที่จะมาดูกายดูใจของเรานะแล้วก็ให้รู้จักการปล่อยการวางนาะเพื่อให้ได้สัมผัสนาะกับความสุขที่ประนีตนะก็คือความเป็นปกติของใจนาะในเร็ววันนี้โดยท่วหน้ากันเถินเจริญพร